ตอนที่207เจความรักไม่จำเป็นต้องมีศักดิ์ศรีการแก้แค้นของเซียเมียวอวินิที่สุดก็ไม่สำเร็จตอนนี้ทั้งหลีหวานและหยวนเยียนเยียนไม่ใช่คนที่นางจะแต่ต้องได้อีกต่อไปอีกทั้งหลังจะเกิดเรื่องคราวก่อนพ่อของนางก็คอยส่งคนมาจับตาดูนางตลอดต่อให้นางอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ หลี่หวันเริ่มมีความคิดที่จะทำธุรกิจสมุนไพรจีนในช่วงแรกต่อมาก็ได้ร่วมมือกับเวินโมทำให้ธุรกิจของทั้งสองคนนับวันยิ่งขยายใหญ่ขึ้นในขณะเดียวกันเวริรนโมก็ยอมรับคำแนะนำของหลี่หวันด้วยสภาพร่างกายของเขาในตอนนี้ไม่ควรทำงานในโรงพยาบาลต่อไปการทำธุรกิจจึงเหมาะสมกับเขามากกว่าหยวนเยียนเยียนไม่ใช่พวกหัวดีเรื่องการเรียนอยู่แล้วอยู่ในโรงเรียนก็แค่ใช้ชีวิตไปวันวเมื่อนางได้พบกับเวินโมไก่ครั้งกลิ่นอายทั่วร่างของเขาก็เปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปจนนางแทบจะจำไม่ได้ แต่ที่ต้องยอมรับก็คือนางยังคงชอบเขาอยู่เวลาผ่านไปนานขนาดนี้ความคิดของหยวนเหย็ยนเยียนก็เติบโตขึ้นบ้างแล้วนางรู้ว่าไม่อาจกดดันอีกฝ่ายมากเกินไปเพราะนั่นไม่ใช่ความรักต่อให้ตามจีบจนได้มาครอบครองก็ไม่มีประโยชน์เหยวนโม่เองก็สังเกตเห็นนางเช่นกันหญิงสาวเดินตามหลีหวานมาอย่างเรียบร้อยนางตั้งใจเดินทางมาจากบ้านเพื่อส่งข้าให้พี่สะพายเมื่อส่งเสร็จก็เตรียมจะกลับเหวีนโม่จึงรีบลุกขึ้นเดินตามเหย็นเยียนข้าออกไปข้างนอกพร้อมเจ้าเอง เมื่อได้ยินเช่นนั้นหยวนเยียนเยียนก็เงยหน้ามองเขาด้วยความตกตะลึงเอ๊ะลหวานกว่าสายตามองทั้งสองคนสลับประมาพผางยกยิ้มมุมปากแต่ไม่ได้พูดอะไรหยวนเหยียนเยนเียนแสดงท่าทีขัดเขินอย่างเห็นได้ชัดนางทาตัวไม่ถูกจนไม่รู้จะวางมือวางเท้าไว้ที่ไหนเหยียนเยียนช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างปรับตัวกับชีวิตในโรงเรียนได้หรือยังทําไมข้าถึงรู้สึกว่าเจ้าดูผอมลงไปมากเลยละ่ะ คำพูดที่หลุดจากปากเหวนโมล้วนเป็นความหงอยใหญ่หยวนเย็ยนเ ย, ยนสูดลมหายใจเข้าลึกเหวนโมตอนนี้ข้าจะเป็นอย่างไรดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับท่านนะท่านพูดเรื่องพวกนี้กับข้าในฐานะอะไรข้าตั้งใจจะตัดใจจากท่านแล้วรบกวนท่านอย่ามาปรากฏตัวต่อหน้าข้าแล้วพูดจาไร้าสาระพวกนี้อีกเลยมันจะทำให้ข้าเข้าใจผิดได้ง่ายเหยวนเย็ยนเย็ยนตัดสินใจนแน่วแน่ว่าจะรักษาระยะห่างกับเขาแต่ชายหนุ่มกลับยังดึงดันจะเข้ามาใกล้ชิดเหวนโม่จ้องมองนางอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหลุดหัวเราะออกมาเป็นอะไรไป ข้าก็แค่เป็นห่วงเจ้าสักคำทำไมต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้รุนแรงขนาดนี้ด้วยหยุนเหย็นเย็ย น, ยยนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยสิ้นเชิงนางขมวดคิ้วด้วยความหงุดหงิดไม่ชอบท่าทางไร้ขอบเขตของเวนโม่เอาเสียเลยเหย็ยนเย็ยนนี่ไม่เจ้ายังตัดใจจากข้าไม่ได้มิสู้เราสองคนลองคบกันดูไหมทันทีที่คำพูดนี้หลุดออกมายวนเย็นเยีย น, ยยนก็อึ้งไปโดยสิ้นเชิงนางได้ยินอะไรผิดไปหรือเปล่าท่านท่านอย่ามาล้อเล่นกับข้าแบบนี้ ข้าไม่ได้ล้อเล่นคําพูดของข้าล้วนเป็นความจริงรอยยิ้มที่มุมปากของเหวินโม่จางหายไปจนหมดสิ้นข้าไม่เคยจริงจังขนาดนี้มาก่อนช่วงเวลาที่ผ่านมาข้าคิดทบทวนมามากแล้วพี่สะพย้ยของเจ้าพูดถูกเรื่องของความรู้สึกไม่มีใครบอกได้แน่นอนข้าคิดว่าเราควรให้โอกาสกันและกันดูสักครั้งเผื่อว่าเราจะเข้ากันได้ดีละ่ะเหวินเหย็นเยีย น, ยยนตอนนี้นางตื่นเต้นจนพูดอะไรไม่ออกเจะไม่พูดเช่นนั้นข้าจะถือว่าเจ้าตกลงแล้วนะเหวนเย็ยนเย็ยนยื่นมือออกไปกอดเหวินโม่ทันที นางซบหน้าลงกับอกของเขาพรางสูดลมหายใจเข้าลึกตกลงข้าดีใจจนบอกไม่ถูกแล้วช่างไรศักดิ์ศรีจริงๆหยวนเศร้าเหิงที่มองดูอยู่ไกลๆเบะปากพลางยกมือขึ้นอบไลหลิวหวันแล้วบ่นพึมพำเจะว่าน้องสาวข้าคนนี้ไรศักดิ์ศรีเกินไปไหมอีกฝ่ายยังไม่ได้พูดอะไรเท่าไหร่เลยนางก็ยอมตกลงคบกับเขาอย่างดีอกดีใจเสียแล้วเมื่อก่อนเราสองคนก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่หรือหลิวหวันเหลือบมองเขารอยยิ้มที่มุมปากกว้างขึ้นเล็กน้อยในเรื่องของความรักไม่จําเป็นต้องมีศักดิ์ศรีหรอก จบ